คนเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาดังนั้นกล่าวได้นะครับว่าวิญญาณของบรรพชนเนี่ยหาได้ตัดจากไปไหมทั้งแฝงรินอยู่ในหน้าตาผิวพรรณแนวโน้มอิงในยีนดังนั้นมนุษย์นี่แท้ที่จริง เหมือนเหมือนเราจะเรียนภาวนานั้นเรากําลังปฏิวัติ เป็นทั้งหนึ่งเป็นทั้งทั้งหมดเป็นองค์การ ความสุขใช่ว่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเราที่ ดังนั้นเมื่อเราชวนกันสร้างสรรค์สามัคคีในสิ่งที่ดีเมื่อเราช่วยกันสร้างโรงทําทุกคน โดยสํารวมสมุททัทมาของผู้เรื่องความสุขในภายในที่เกิดจากการสิ้นอัตมิมานะสิ้นการถือเนื้อถือตัวๆก็ๆก็ย่อม ตัวในการแสวงหาความสุขเพททีมนั้นนี่ครับจะดังนั้นอย่าแสวงหาความสุขแต่จง จึงกระพือควายคว้าๆลูกฟุตลูกบอลที่เด็กๆเล่นที่ริมทะเลเรากระโดดความๆแต่จงทําตัวให้คล้าย ในลำดับถัดมานั้นผมก็พูดออกไปหลายเรื่องจักรวาลบ้างเรื่องการศึกษาบ้าง ทำเหมือนมันเลือนไม่ได้นั้นก็คือตัวเราต้องไม่เลอะครับนะสมมุติว่าเราอาจจะพูดอะไรถูกอะไรผิดซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์นะแต่ว่าธรรมชาติแห่งความไม่เลอะเลือนนี้มีคือความรู้สึกตัว เล่มากๆก็คือไปจิ๊กฆ่าถือแกงเค้าหรือปล้นๆเราไม่พึงมองคนที่ฆ่า 3 ถ้ามองเช่นนี้ผู้มองกันเนี่ยฉะนั้นเราต้อง เหมือนเหมือนเลือนประดุจกระจกเงาซึ่งใสสะอาดล้อทุกผู้ทุกทุกรูป ความบริสุทธิ์ในที่นั้นมันไม่ใช่ความสะอาดครับหมายถึงว่าเป็นความสะอาดครับความพยายามๆ แล้วไม่ช้าไม่นานธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆของมันล้วน ติดริมบึงริมคูคลื่นคือขึ้นมากคลื่นคืนนึงผมเฝ้า นั่นเองนะครับผมขอกล่าวคำสรุปจลจลเพื่อสั้นๆเพื่อกําหนดจดจําง่ายเนื่องจากหัวใจของมนุษย์เป็นธรรมชาติ มีแสงนั้นพื้นโลกก็จะถูกบทบังไปด้วยภูยพุ่งออกจากดวง รัศมีกระจ่างจ้าเหมือนเดิมส่องสังคมขานิยมต่างๆนั้น เมื่อรถจุดไฟขึ้นทุกสิ่งก็สว่างขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็มีอยู่ อยู่ที่ยอดเขานางเอหรือหรืออยู่ที่อ่าวบันดอนหรือเอง มือเปลี่ยนที่สํารวมจิตใจเช่นนี้นะครับใช้สิ่งที่บรรพชนของเราสร้างสรรค์ เพียรเจริญมรรคพวกนี้เขาจะเลือกใช้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมๆเนี่ย ฟังกลางเนี่ยที่สุดมันเป็นสิ่งที่งามยิ่ง อย่าเชี่ยวชานะครับต่อสิ่งประเสริฐอย่างนี้ครับเอ่อแม้ เหนื่อยมากหิวข้าวไปให้ผมกินแทบจะทุกมื้อวันนี้ก็ลื่นล้มลง ไม่ใช่ผมจะให้พรได้พรมันก็อยู่ คุณนึกจำได้บ้างไม่มากก็น้อยนะฮะสิ่งที่ผมสุดพูดหรืออย่างน้อยสุดก็คือความรู้สึกประทับใจที่เคยอยู่ๆก็คงจะจําได้นะวันหน้าวัน คือเห็นเดินอยู่ข้างถนนนิ่งเทพถ้ามีเวลาหรือไม่กลัวรถเสียดเอาก็โผล่หัวไปทักบ้างคงจะดีครับตอนนี้ผมทําหน้าที่ยิงผมแล้วนะครับเอ่อผมทําหน้าที่ยิงผมตามสติกําลังสติปัญญาแล้วเหลือหน้าที่อย่างนักศึกษา และดําเนินสิ่งที่ตัวเองรู้ว่า <c oughs> <c oughs> ความธรรมรู้ให้ข้อคิดให้สติย้ำเตือนแก่พวกเราพวกเราทุกคนมีครู เราได้รับรู้เราจึงรู้ว่าสิ่งนี้แหละมีค่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ รบขอให้ ที่แม่เสียงแม่แม่เสียงมามาซ้อมแม่ท่อนกลางก่อนนะครับ อ่าได้ไม่ถูกไปจะมาแถวผ่านไม่ต้องอัด <c oughs> อืมมันติดอยู่ตรงเนี้ยติดมากเลยขอสันติมิตรมิตร บําขอท่านดีมัยตรีมิดาทุกคนสงบกะลุนาคือจังหวะ มานีนไตบ์ปานขอทานติมัยตรีแกทุกคนสุข คืนนี้วันค่ําสนิทจริงๆ ผมนึกไม่ทันหรอกแหมยังจริงๆเค้าไม่ต้องการ ครบทุกวันจะได้ ไส้คู่ไทยจะมาเผ่าพรดอกไม้ในนานเห็น ครับวงวงกลมเลยครับดีดีกว่าร้องจับก็เปล่งเสียงโอมบ้าง มีดีไหนครับเพราะว่าจริงๆๆมากก็เลือกจุดน้อยๆเอาจุดให้หน่อยอีกทุกครั้งที่เราจะทํา เวลาอาบน้ําก็เป็นนั่งล้างที 3 คืออยู่ในท่อยุงยุงอยู่ผมล้างไว้ในน้ําในห้องการมันจะเย็น การดูดมันมีนานามีมาสมัยนั้นการชมักล้างจาน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 ผมก็อายใจครับผมพูดนี้เราได้ยินทางใจใช่มั้ย คนนี้รู้มากท่านดูจะทรนไม่เหมือนด้วยมั้ยพี่ครับเท่า บางทีมีคําว่าปัญญาใจนะครับอะไรนี้เราคือได้ยินใช่<ใช> ตัวการที่อยากจะเจอตัวนี้ที่มีหลักที่เหตุที่ผล เรามันมีหลักขึ้นมาในไม่ถึงเราจะพบขึ้นเรื่อยๆมันเราสามารถทํางานที่ที่ดีและพัฒนาได้ด้วย มีเยอะ creative ต่างๆต่างๆเอาหน้ามาดูเลย เอาพามุดักไปมาเอาว่าใจนทีมมาผมไม่ อ๋อไม่ร้องอยู่ผมคงไม่ร้องถ้าถ่ายวีดีโอเชยๆแบบเครปูเหมือนอย่างนั้น M'è la tu m'é sii ngüintes. M'é sii. M'é sii. 1, 2, 3. 1, d' neutra la